แา่แล้วเป็นอาไแทนสมเด็จพระนเรศแล้วาคุณเสมิจฉุนข์เป็นความดมัาจะดีเลกนยความดีอันนี้ตัวดีอันตัวใครเีสมานอนวามนี้ยูไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ดูนะดีๆทำนี่แต่ต้องยังานไม่อย่างเดียวไม่ต้องมาเพราะพระเจ้าของเป็นบารมีชาวไม่ดีผมไม่ทำดีไม่ทำขอให้คุณต้องยุติานเป็นที่ใจนะที่ประเทศนี้นะ เองแค่ระดับนี้ถ้ายังไมรู้ทําังไม่ได้การเปียงใดก็ไม่สามาถจะได้ได้ขึ้นเรื่อการแยกเห็นใจโยยามีและขึ้นข่ายใช้โดย่อท่านมีนักาศิษย์ถ้าอย่างนี้จะได้ถึงตังนาทุกข์ได้ไหเออถ้าเขาไม่ติดเัินใหม่ก็ต้องทำให้หมดจาใหม่เอาเลยเลยเงนจ่ายถ้ตอยั่การเอะหละ ไม่ยอมได้ไม่อมถ้าไม่อมก็ไ่าเรื่องชีวนี้ก็ม่เป็กันเละครับราะฉะนั้นก็พอมาเรีวันนี้ก็สามารถที่จะทำได้อ่าตัวเลขตรงนี้แต่ไ่ไม้องเร่งไม่ร่งแต่คุณท่านก็ไม่ใจใส่ได้เลยนะอ้าวโดนโดนใจเลย เรยากความรักมันเริมมันเองมันมันขบักต้องขบักก่อนเราอยหน้าดีต้องขบักก่อนถ้าเราขาดใจจะใครจะบูชาดีๆนั้นไม่ขาดรักษิณแล้วก็โรงหลายๆคนมันเรการเองก็าถามีเรืนองลาบมากกว่าสุรินไปจ้ะ ระวับงบางเรอเพระเจ้าดีมีแต่ ค, คนมีความบรรลัยสมหวงทุกอย่างตั้งใจที่ว่าการคําบนคราวนี้เราต้องการอะไรเพราะเราถีตั้งใจถึงเด็กทีกต้องก็มีว่าต้องก า, ารมิตรานและแน่นอนนะต้องการมิตานในชาตินี้ันานได้ถ้าบางเองบุญบามีขาเข้ายัางอ่อนยังต้องเลนในวัฏสงสาร ก็ขอเป็นคนมีความนั่งมือยางในสกย่าีทุกชาติาาไม่กี่อย่างที่นิพพานคือตัจกจุดไปเลยเอาจุดเดียวกันแล้วมันจะเป็นในตามนั้นเป็นของไม่ยากนี่หลงพ่อไปชาติก่อยนิพพานแล้ขอเดืเเอดเป็นพระนม่ามาเสียวเอจจะรู้ปมนทราบหรือไม่ทราบนะโอเคนะมาดู ทำรูม de ันก็สามารถลอมฟองเหลืองดป็นน no? ้ำได้ไอเสียงมานะแ่ทำเลยต้นแดงมาทำน้ำได้เด็กทะเลหนึ่งเครื่องเป็นยี่สิบใบหนึ่งเครื่อง้อยได้มองะจ๊ะ ตัวรูีนให้ล้ตัวดับตัว้่าวเะตัวู้หมายถึงอะไรตัว้นี่รางนตัวรู้เลยตัวรู้ตัวในลาทอะก็ัวดับตัวทำดับมาอะไรกัดับหมายถึงโลกหลนี่อรใช่ตัวรู้ในวัตถุสมุทัยตัรู้ในส่งไม่จะทำอะไรใลานี่จะทำอะไร ไ้เขามาทำอะไรนังหมาจะทำดีหรือเปล่าพุทโธเป็นของดีใช่ไหมไอ้ตัวเทวดาคุณบัตรเป็นืัโลกโถนหลงตัวนี้ต้องบับมันถ้าไม่บัตรคุณฟังสารตัวนี้มันจะไปิ่านไม่ได้มันไม่ได้เฉยๆที่ท่าตัดอย่างเงี้ย แพ่อบอกว่ า, าการประกอบสัมมาอาชีพพ่อองค์เ้าจาไม่ได้ช่่สมาชีก่อนนะใช่ม่ไม่ใช่ขายเหล่าในสัมมาชีพนะ้อประกสัมาอาชีพคือว่าไม่โลภเหือะกงของคนอื่นมาเป็นักลื่อนเหก่อนโลมันเป็นโลภจะท่า้ไม่ได้นะเข้า <c oughs> ไม่ลวเมิดขึ้นห้าเลยนะใช่ เราแขมาชีวายชีก็ต้องไม่ละเมิดสินงห้าถ้าเราอียดไปหน่อยก็ต้องไม่ละเมิดบัติสิห้ามมีจะไม่กหกโกหกหยากได้โกหกเสียดไดู้เพเจ้อได้ถ้าเรอา่องสบติ้องมึนรถึงไม่พูดโไม่พูคยากไม่พูดเสวดไม่พ้เจ้อใช่ห ก้อคนใช้ก็เหมาะสมที่มีวามสุขกว่าไม่ได้ถึงไม่จบไม่ต่กันไม่เสร็เต็มใจท่านคนบอกว่าเอบว่าจเต็อ่ร็จเพิ่มหรือจ่าจะงินตรงเองไหมครับใช่แบบใช่บวชรูปถี่บแล้วก็ว่าเขา เาเป็นทำแค่อามาเรียงกันนะครับแม่เงินไม่ค่อยจะพอต้องไปจดที่เงินแล้วี๋ยอกหเาเอ็นเดียเป็นคำบัญญัติอย่างห่ตัวแล้วตอนี้เราแต่แรกสุดที่เป็นนั่กเป็นเรืงขอต่จริงมันไม่ขาดจากเสียหายแต่วามัน้องเราตก้จำเป็นต้อพูดไ้นเป็นร่างสามสัตว์ร่างสามสิบใช่ไหม แต่ถ้าแบบมีก็ไม่อยากตีก็ไปถ้าไม่รักใครตัวนี้ก็เรื่องถึงมันไม่ขาดนะใช่คืไม่ถึงขาดหเอกไม่ขาดขนาดนั้นนะ่ถึงมองไม่หา่อยตนน้มวลมีแบบถึงวลป่วย้าทำป่วยยากป่วน้อยป่วยน้อแต่ก็เปเฉอย่างนี้แวบอกว่าากไที่ไป เคนะก็กระปุกถูไว้เจ็หลักเ้าเวลาป่วยก็ให้คืือเอยหนอือยระดับไปมันจะไม่ผ่านนรกไม่ผ่านจริเลยไม่จริงถาผ่านแล้วก็จะไม่ได้่านไปเอ้ยนั่นก็ผ่านหลงต้องอย่านี้ก็ไม่เลงสิถ้าว่าไม่ผ่านมันหมายความว่าไม่ผ่านสำนักพญายมขึ้นตรง ไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องดะต้องเห็อะต้องรู้แล้จะรด้าะหลละนี่ไไม่เปแอศูยาทั่นะแเอไาค้าพันบาท ทำยากนะเราต้ ง, ตงเห็นชาวบ้านถึงใจชาวบ้านมากกว่าถ้าอย่างนี้เองก็ต้องเป็นร้อยนะเพราะอาหารคนันำใหม่จ้อร่อยต้องเ้าออกมาแล้วเจ็บเจ็บไหมทำอย่างยี้สามเทือนอ่ า, อ า, านี่เป็นบทผสมกันเถอ ง, งถ้าต้องทำคลาสต้อเศษทีนึ่งทำยากน ะ, ะเห็นว่าข่าวชุบาทนี่ตั้งเปนเรื่องเลย อันนี้เรื่องคอยคอยอะลรแล้วที่ฐานทุกอย่างขบท่านมีเพียงเที่ยได้แต่มันคืนคเรื่องนี้คุยต่างเขาต่างคนต่างเล่าเลยกันเองครับแ้วก็ดิจิติจัยคนนะต้องมีความมั่นคอพอใช่ไหมครับเวลาคุยมา มันต <ampa> er ั้งม่อยู่ใช่ไในเรื่องที่ทุพันในคนกล้าน่าก็คนสมอ่ยมนะฉันยารใช้ชีวิเอ้ยเอ้ยฉันก็ฉันก็อารก็ชั่มแาอยู่อยฉันไ่โงกันเลยครย์เนาะท่านม่งอคนเสมอไม่ไม่แยกกันอยู่ไอ้นบบที่ชิก็แบบแบรแบ ก็เวขาไม่ขาจ้าขอเลไม่ใช่ไม่ใช่สี่าจะเ ก, ก็บเุียาว น, น, นี้นเมมาาาไม่ขายจริ ง, งนะๆล้วเขายากมากแต่คนเราเอาไปขายมันไม่ง่ายเลยจักรยานทำไม่ได้นะจริงๆแล้วก็ต้องทำมันสิบปีไม่ยี่สิบปีมันมาก่อนเลมันถึงก็ได้าขึ้นไม่ได้เป็นเงมนเยอะแยะเพราะวันนีก่อนเขาไม่แสวงกันเขาไม่ได้นำการต้องท ม, มันเอง อะไรความเข้ามันอยู่ที่ความเข้าใจแต่หลาเครื่ อ, อยงยาทไม่ได้นะถ้าใช้ยังไม่ได้เดี๋ยวไรบ้างต้องหัภาวนาไว้อะไรนี่เรื่อยๆทีนี้จภาวนาไว้เรื่อยกันบ้า ง, างะ น, าา น, น, นะงานานนนะ้าต่อมาเ็มา้อ ม, ม, ม, มก็พอไได้ชางค็ได้ซึ่ที่ไม่ได้ขาดความเข้าใจมันยังไม่มนะมอะไรมากข้ามยาทุกเม็ดา ทำาหมายความรู้สึกของใจที่เป็นิดไม่ใชหลังตาเป็นผิดด <No. S 1> ังน้าเราต้องเชื่อความรู้สึกข้าใจไม่ใช่เชื่อภาพถ้าได้อย่างอ่อนมันจะมีแต่ความรู้สึกต้างเชื่อทันทีความรู้สึกแรกมันจะเชื่อเยไม่ผิดหรถ้าไอย่างกลางรามีอย่างกลางมันความรู้สึกเชื่อใหาไม่ชัดถ้าอย่างละเอียดอย่างสูงความรู้สึกจะเชื่อหนังภาพชัดเจนมาก โยกความรู้สึกความรู้สึกคนใจไม่ใช่ไม่ใช่ดุจตาเออถ้ายาเข้าใจยังไงไม่ยากเป็นคนรู้จักพลังกายดีจะรู้สอนเองมันก็ปวดตาเลยตอนี้ถ้าเพื่องเพื่อนเขาตีมาเนี่ยต้องถ่ายได้มนได้ถายสีวนแ้ตัือก็มีเนอตัดแล้วเพราะว่าเราเชื่อในตเรีเง ถ้าจี้มือสวนหายมือล้างหายแล้วกระวังลยทันทีนแกก็ซื้อเลยถ้าั้าสุดถ้สเกิดเกิดเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาใช่เขาไม่ใช่เลยนแล้วเจ้าจี้มันแล้วม่มาที่เราถ้าจ้มันนี่ยแขนนี่ยแต่ี่ตัวเาสง็จแล้วมัสุดยอเไม่ได้แบบใหญ่ห้ากระดูกน้อนกระดูกนไอย แต่ชาเพียงแต่ใช่ด้วย่ายจ้ะต้อนนแต่ค่าใช้ทำไมถามยูกก่อนก็าเด็กไม่มีเงินเด็กต้องง ไ, รงรงไปรงมาเด็กไม่ดีาคุณอาใสยได้เลยจะทำอะไรหนอถามค่าทีแล้ววัดดไไนไหนเด็กยต่งต้องจงไปดงมาเอาเอินไปจุดไหนก็พัดไปจัตนั้นแล้วช่วยเรัแล้วขอว่าพูคณเพื่นอนของๆๆ ก็ืติดติดเวลาเขาย่ถาาก็แค่นี้เราเลยนะเขาบอกว่าอ้ยลงดาหลายคนโงเต็มอย่าไปทำทีโอดก็เขาหมดเลยรวมทำต้ององทำเลยตข้เข้อยใส่ทำอะไรไปไม่ไดยความเข้าใจคือเตยปัญญาเนี เมือ่อความเข้าใจเื่อการปฏิบัติที่มันแสดงข้อใดมันได้ขังดยู่คำว่าที่เป็นจักรญญานคำว่าที่เป็นจักรพยานนี่เขาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาคิดไม่ใช่ดวงตาเป็นคิดคือใจเป็ น, นคิดต่มากเกิดจิตในความความรยต้องการต้องการเห็นต้อ ง, งการเห็นอันนี้มันไม่ถูกถึงก็ต้องการเหกนทางตาด้วยนะไม่ถูก า, าไป ต้องเชื่อสูญดูสอนสูญดูสอนก็บอกแล้วจะให้เชื่อความรู้สึกทัจิตถ้าเราได้ที่ที่อันาันยาบจะมีความรู้สึกทำใจจะจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกทันทีความรู้สึกอะไรก็ต้องเชื่อกจะต้อตอถ้าได้อย่างกลางจิตจะมีความรู้สึกต้องใจิตเห็นภาพจะไม่ทัดน้จิตเห็นถ้าได้อย่างละียจิตมีความรู้สึกที่จิเห็นภาพชัดเจนจังไชามาก ต้องรุปแล้วว่าข้าได้ใช้ปิยาให้เชื่อรู้สึกจิตเป็นสคัญเาเรียนแบบเกอางใเห็นไปเมชียงกันเชีเื่อง้งรียนใหม่ขึ้นไปใหม่ถ้มาต้องยังงมาสร้าใหม่ใหม่ต้อไเรียนให้เป็นชินไม่ดีหรนะล้านเขามออไรก็ค้าเป็นล้านบาทนะกัน เพราะแต่จริงไม่ใช่ธรรมดาในามีแรงฟ้าเสมอพเราให้เด็กที่สอ้านพอเด็กสองล้านก็ให้เลยเพราะมีเรื่องถายว่าคนต้องหาเงินมาให้ภายในเวันที่ล้านถ้าทานจนวันคุนไม่ได้ทานไม่ได้ก็ไปของนแต่ก็ได้ทกินก็ไม่ยากอะไม่้มีคนอู่ข้างลาอกนะก็มีเยหาคนสองน้องคนได้ภายในสามวันที่สองล้าน โอ้ต้องเล่าต้องูเนือใจไเนจะตว่าจะมานำจะทำแต่ทำได้ยาเพราะเจดานาง้าพุทานัมันจริเชื่อยที่นิยมิดัจจุบันด้วยนะคนเข้าว่าไทยงันเยอะต้องรู้จักใช้ค่อยๆทำคก็ยๆสร้ามเชื่อมันไม่มันคยมีท่ามบอกว่าเกินวตัยเท่ากับหลายครั ita, ้งก็วุตัย แต่ว่าสามารถทาได้ถ้าถูกเป็นกำลังไม่เห็นข้าศึกเห็นทุกอย่างสมุนที่จันทร์บริเวนมีเด็กสี่คนเี็กจบเด็กจบนักศึกษาจไปแล้วถ้าไม่กคืสองปีเนี่ยนั่งแล้วไสอนทำยายแม่พ่อแยายนั่กับเพื่อนพ่อแา่ให้เราใช้นั่งกับ่ เมื่อขางหลังแม่ก็บอกว่าจะดูเพื่อว่ายายเนคุยอะไรกันยายฉัก็หลับายอยู่ตรงนั้นอ่ะพอเราถึงบ้านเล้วคู่ยายคนนี้คุยคู่ยายนี้คุยยายไม่ดยายไป่อิู่้นได้อย่างไรแกไม่เนือยหมูไม่นั่งจับยายยายคุยกับเดือยมันเป็นคนรังนะมันก็เป็นคนลังนี้เห็นข้อสบายตอนมี้เลขคนหนึ่งตอมอายุแต่สกสิบปี เรียนตอนนั้นเขาเรีนใชัยเรียนป .4 พอเรียนได้อบแค่ก็เรียนมาถึงบ้านก็ยังเล่นหมาดุตลอดค่ว่าแม่ก็ว่าไมเขาไม่ดึงสื่อมังเวลาได้สอบได้แค่กว่าผมไม่ต้องเรียครับผมสอบได้แน่แม่ถามรู้ได้ยังไงข้อสอะที่คุณออกคุณเห็นกได้ครับไม่เห็นข้อสอบได้ก็รู้ข้อคำตอบได้ใช่ไหม เพาะฉนั้เราตอบได้คุณแม่จะเลยาจอโมความดีนั่นไม่ดีมั่นไงเราจะเลยเห็นข้าวสารไปให้แม่มันสั่งดีแม่ไปขึ้นเลยข้าสาบมันโตมันเติมที่จะเห็นม่ดีไหมนาะี่ถ้าเต็ยงเวลานีไม่ได้ฟนยงนแชินหนึ่งบาถ้าแค่ชิ้นหนึ่งบางมันก็หายไปมันก็ลาะร ตั้งใจเลยน้มสักการบ่ก็ไปเจ้าเริงว่าขอตอนท่านถ้าข้อสอบคนไหนที่จะส่งขอการเถิดแล้วก็ขี้นั่งไม่ได้นะใถ้าั้งโดนใจจารเถิท่านไม่ใช้ได้แล้วอย่างไรหนุ่มเอ้ยต้างเล็กน้อยอ่าแตว่าต้องขยายทำทุกวันแล้วท่านไม่ถามไม่ไม่ต้องขยายเยอไปไม่ใช่การไปนั่งมันโมงโมงนอนนะ ว่าไปนกลับมาละก็แบบดูสูงหาทำงานได้มันเลนอยใช่ไหมเวลาจะนอนเราจับพระตา้ใจที่ฐานเสร็จนอนมาก็ภาวนาเขาเริ่มภาวนาพักจิตใจจับเอพระธากิไปถึงนิานไปที่นุพพานแล้วสองทันทีก็กลับมาหลักได้อาตุลขึ้นไประพกขึ้นไปทางลกขึ้น้ใหญ่เอาไว้กันไม่ต้องขึ้นลึขึ้นแล้วนานนัเพระจนพักแค่อารเวลานั้นทันทีโลกลงกาลังใจไปนิพพานทันที เาการที่มิจ้าแลก็ขอนลำบากตายอะไรเขามาอยู่ที่นี่้วยาติเราต้องการอะไรนั้นขก็ขอตอนเี้ีนงถ้าเอนอย่างนั้นไม่ได้เป็นบอกยงนี้มันเใสนะไม่ได้นะถ้าหัาด้าติใเฉยก็ได้ถ้ามได้ก็ค่ทานเถอะต้อจะไว้สักที้าได้ก็ทำไดไม่ด้าติหนึ่ไม่ได้จองช้าเรากอยางเดียวถ้าไม่ได้ก็ทานถ้าได้ก็ไม่ต้างหาถาไม่ทนก็ทนเถย ไม่กพ <fl ush ed> ่ยีมจะมาพักได้แค่นมวยกับางคกได้มากกับบางคนได้น้อยไม่ใช่คือสุดม่ไรแต่เราต้องการ้งหอกนนะน เรอเธอเขาม่ต yup ่อตายกันยึดหน่อฟังหนอยึดหายใจออกฟองหาใจเข้าแอนาพานมตสตินะกแม่ะป็นรื่อกับเรื่องวเดียวกันใชหมเรามาเูธอเรา้ใลมหใจเข้าไม่กันเลยมายใจเข้าลึกอหลอเพื่อาใจออกมันรู้เพราะว่าถึหนอล้หนอไปเฉพาะอนาพาเมตสติ สมพุทธ้ามีพระนาตาลิพติช่วยพุทธามิพติช่วยแลสผมนี้ปฏิบัติจริงๆก็ต้องการจิตเปสมาธิเปนหลักแรกใช่ไหมควมมีสมาธิสูงไหมเรมทานัานครับทำทีไม่รู้อะรอยากเรียนดมาเรื่องทุอย่างตามแตทำสมาธิได้เยอะตาม อาตรงนี vezes, travail, ้เวลาฝันการปฏิบัติพรรมถือว่าการบวชถ้าบวชมาเป็นท่านกว่าเจ็ดสิบตุลาชุนที่เราต้องการก็คืออย่างตสวรรค์สมาเนีางสูงสุดก็ไม่่านเรื่องกระฐานไม่ต้องใสนาไม่จริงๆริงมีมากถ้าดูไม่รู้ใจก็เนืต้องทุข์ทร ให้สาลีหมดสเบแดงได้สี่สุบกองเอ่อม่สี่สิบกองไม่สี่สิบกองแยกเอกสารมาานก็แคสิบสาสิบกองจะดึท้าทางกลางเกล็ดไหนก็ได้สุบสกมมากทำไหวไหแต่ว่าแต่ละกองมีสิ่านทุกกองมันยังจะมาทำร้อยสีสกองนะ ก็ที so ่คนบางรายที่สุ่าวไม่รู้อะไรคนอารมณ์คนธรรกไม่ต้องใช้อารมณคนตายอารมณ์ใจคนขโมยโมงคนแต่คนหนักคนระดันใบด้านหนึ่งหมแต่ที่มียามือว้าเจริตเจรตจริพี่โตเจริญพ่อาจริญพี่พ่อเจริพ่อพ่เจริ่อพีมันมีเรื่องที่คนแต่ละคนมันหนักในทางไหนขหนักทางไหนตีรูปนั้นก่อนเพราะอะไาะนั่นมาดีก่อน ก ร, ระบวนการคั้งแรกสถิบัิอย่างนั้นเพราะนั้นการพูดคอหนึ่งความมุ่งหมายความมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งเราต้องการไม่รอใบาอนุญาตใช่ไหมใช่ไหมในะกรรมมีสองอย่างมางาราได้จบไปสวรรค์ในกรรมมีสามพระดีที่จุดอดนิทานสาวนิทานไปไหวไหมสาวนิทาน อยากไปใช่ไดมถ้าไม่อยากไปยังหมก็มีสตาไม่ผ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านจิงๆไมสูสุ่นเจ้าของเมือมีสี่เมื่อเมื่อที่เมเรื่อยๆตวก็จะะเกอเมื่อม่ปฏิบัติได้ทาสมาบัติได้เนระอนญาได้แต่ขาดจิตและปัาไม่สามารถเห็นเองเมื่อไปสวรรได้ แ้วก็การสิ่งเห่านี้ก็จะทำไเหมือนกันนะไม่ได้เรียนมาแล้วใช่ไหมมาดูแสงไปดูโฉดูวชาสามมดูตอนที่จะเป็นพระอริยเจ้าแล้วถ้าต้องได้สองมิวิชาสามเพื่อมองคุถุยานสองสุถุยนิวาสปุถุยานแล้วต้องสองมิวิยะลูกทาวสามมาดูสามนี่จะละจริงอยูก็มีความรู้มิวิชาสามมากกว่าน้อยจะไปไหนได้ เชื no, then, <Yes. S 1> ่อได้แม่รู้ดีแม่เป็นเั่นวิทยานตลาดมากแม่เคยเล่าจินจิการปฏิบัติเขามาพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ญาตโยนเมื่อแบบฉบับเพราะที่นี่นะจะพาที่นี่จะมีสิทธิ์สุขสังขาท่างสุขกายจะเกิดโกรธก็สละสิ่งนท่างสองอย่างนะ การศึกษสุขภาพก็ต้องดำนินนโยบายชาติเพื่อประชาชนและหลักนิยมประชาธิปไจยทคนทการเ่องหมอยถึงว่าตัองการให้ทุกคนไม่ยออภัยโทษให้การเมืองดะเนกาไออภัยโทก็ย้อมจากสังเกตการณ์มการต้องการควมับ ใครก็ถามว่า่มีมีความสุดสุดที่มีความเป็นอย่างไรกบว่าน <te ach> ้นอันดับต้นเน้นสันงเงื่อนสามแล้วก็ถามว่าใครยังมีกำลังดีเิ่มไก็อยากไปเรื่อยสั่งเรื่อยห้าเรื่อยสุดก็ต่างกันไปใจสงเรือกห้าสเรือยจิตก็สามก็เนนยิงยิงอันดับแรกสั่งเรือสามเรือยสามอะไรก้าด้แ่ใจเรื่อยดุจจ สามสิบปีขาสามศิลปกรประวัติศาสมากถ้าเราเมื่อวันดีไว้มาเมื่อวดูถ้าฉลาดเลื่อยใจก็ขาดทุนขาดทุนไถ้าฉลาดใจไม่ไว้มาไม่ส่งทุนไหมทุนไหมถ้าฉลาดใจก็มันมีอะไรไหมแต่ก็ต้องดูการบันทึกมันไมต้องดูจบ กัเราก่ใชกัว่าถ้าเาากบังคับเรื่องอะไรที่ทำให้คนอื่มีแต่มาดูเล็กมามีปต่ยาเล็กมาแต่มีสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเม่เอาเป็นข้อคิดเลยก็คดเลยการปฏิบัตถ้าไม่มีมึ่งปฏิบัติไม่มีองค์ประกอบไม่มีรื่องโน้นนมันจะรู้สึกว่าทาไปแระไหก็ตมไม่รู้สึกว่ามันไป้างไหนคืม่าจะมีแสนุษย์จิตหรือมนุษย์ธรรม เราก็เจอเลวเพราะฉะนั้นเราเห็นบาปบางสิ่งบีพระศีรษะสามีสบีมีสมาทรเล็กน้อยมีสัญญาเล็กน้อยก็มีสิ่งบางสุทงอันนี้เรมันเรืมันั่งใครกันดูเขาเห็นบาปบางสิ่งสามีเนี่ยหรือเปล่าเขาเห็นบาปบางสิ่งพระศีรษะสามีสบียังมีความรักในระดับที่ใช่ไ้ม มีไเาะขาแต่งงานมายุสสี่เนี่ย็นดาวันเปเกนเนี่ยังมีงานตั้งกาความว่ามียัมีการทำอะไรทีความสุขยงมีความหลงงีเพราะเราานาบราดบางดรื่ีาคม่ไก็มีความธรรดาเราะารรมมีเพท่านมีขาเือ เขานคยเขาไม่สบายทำดีที่ทำดีก็มีถึงห้าหรือสามสุบกันมาเองยังไมนถึงิป่านะทุนเนี่ยหินปจะมีรู้ไม่ได้นะมีสายขามีรถมีเหุผลนี่ยเพราะงี้มีคนถ้ารู่อย่างเรื่องลำดับะการปฏิบัตินะถ้าเรามั้งช่วยสัญญาเดียวไม่รู้สึกถ้าเราไม่รู้สึกแล้วไม่สิทงหนาทำแล้นมันจะมาถึงไหน แม่แม่ไม่เหนหน้าฉันแม่สามแม่รำนำก็จับฉัเมื่อสามก่อนติงนีไม่หอยู่ก่อนยุคก่นถ้านี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่เคลนไปไหนต้องจับม่อให้ได้ไหมอเนนี้แค่โสดาบัมันขั้นบัตราสักงยาเลยเท่านั้นแค่การตัดทิ้งโดยจริงเนี่ยมันจับตัวเดียวในทางแยกจุดกะายอย่างสดเดียว การที ina, Dieu, ่ภาษาที <maison> ่มันทแน่นมั่งพระที่พระเจ้าเมื่อฐานใจที่พระเสื่อมไปแล้วแล้วก็พระยาเข้าตาพระ้าถามว่าเทพศาสนาเวลาสันดวบุตอยางก็มาว่ายังจะจ้าให้บอกว่าลาสันดรก่อนนล้วนะทราบไหมหาสลนดบุตรนันแล้วเราต้องบอกวุชโธต้องการเป็นบุตรดาบันจะทำยังไง สามีค้คำห้ามไม่คห้ามไม่ในเราม่หลวเราเราไม่มีในคำห้าคำห้ามในเราถ้าเราไม่ลงเลาอยู่ใเตัวลงก็ไ็่โตด้แล้วท่านไม่ได้ทาใเลยว่าท่ก็จะมำไม่ได้แลนวท่านจะเป็นสิทธาสานุโยชน์